เอาว่าไปก็ไปหาเครื่องอยู่มาใหม่แล้วค่ะแล้วงพ่อที่หลวงพอว่อร้องเพลงไม่ได้ก็เลยเอากลายเป็นเครื่องอยู่แต่นั่นแหละต้องเอากายเวทนาจิตธรรมเป็นเครื่องอยู่ย่าเอาร้องเพลงเป็นเครื่องอยู่ที่ทําอยู่ถูกไหมขณะนี้ยรู้ตัวเต็มที่ยังมันโมโมถูกต้องถ้าอย่างน้นที่ทําอยู่ใช้ได้นะรู้ตรงความเป็นจริงแล้วมีหลายตัวนะไม่ใช่โมวอย่างเดียวกดเอาไว้ด้วยมาข่มใจไว้ด้วย<ม>ให้มันนิ่ง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 ตอนนี้มีกดเอาไว้วะอะค่ะโแต่ว่าเทียบกับหลายๆเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าใจมันโล่งขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าสติเกิดช้าลงค่ะพอแต่เดิมเนี่ยแทบจะไม่ขาดสติเลยเพราะเพ่งเอาไว้เพ่งเอาไว้นะ่าเหมือนกับไม่ลืมตัวเลยแต่จริงๆเดินปัญญาไม่ได้ได้อยู่แค่นั้นแหละต้องใจถึงที่จะปล่อยให้มันหลงไปบ้างพอหลงแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้สึกถึงจะได้คะแนนการเพ่งนะมันคล้ายๆเราจะข้ามสะพาน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 คือพอเริ่มคลายออกใจมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ทำอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะกลับไปเพ่งซะถ้าถ้าไปวุ่นวายกับมันมากเดี๋ยวจะติดติดเพ่งอย่างเดิมตอนนี้มันไม่ค่อยติดแล้วคลายออกมาแล้วแต่ว่าถ้าไปเพิ่มพลังให้จิตนิดหน่อยนะเช่น ท, ทาสมถะขึ้มนมาเดี๋ยวมันจะกลับไปล็อกใหม่ตอนนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนอาบิว้วนมัสการครับก็ช่วงหลายวันมานี้ครับ เวลาทําอะไรก็ตามะครับบางครั้งมันเหมือนกับมันจะเออๆไอเลยมันจะลง่บ่มันไม่มีอะไรเลยมันจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่ครับคือถ้าจิตเหมือนตอนนี้มันจะเออง่ายๆมันไปประคองไว้หลวงพ่อทําหน้าให้ด้วูนะเหมือนไปประคองไว้เล็กๆอย่เงี้ยมันจะนิ่งบว่าความเป็นจริงนิ่งไปนิ่งมาแล้วขี้เกียดรู้ขี้เกียรติเห็นอะไรเออๆไปเรื่อยๆ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 จำได้ไหมตรงนี้ไปเดินจงกรมนะ้็เห็นร่างกายมันเดินใจมันเป็นแค่คนดูไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจจําได้ไหมมากับใครช่วยกันจํานะ <laughs> ถ้าทางจําคนเดียวจําไม่ไหว <laughs> จําได้ไหมหลวงพ่อว่างไงการมาการ์ค่ะหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อสอนเขาว่างไงที่ว่าให้เขาจําอ่ะคือ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 ตอนนี้ไม่รู้ครับคือมันจิตมันเหมือนมันแบบไม่ค่อยปรุงแต่งเลยครับไม่ปรุงหลอนะมันเราไปควบคุมตัวเองมากไปะถือศีนโน้นศีนนี่ศีนดีหรอกแต่ว่าถือแล้วรีจิตใจมันก็เลยนิ่งๆทื่อๆไปครับครับนิ่งๆทื่อๆก็เลยคิดว่าเข้าใจว่าเอ๊ะทําไมมันไม่ปรุงแต่งออกมาล้องเพลงบ้างออกมามองคนอื่นบ้างนะอย่าภาวนาแบบเข้าถ้าอยู่นะ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 ให้เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะดูออกไหมว่าจิตมันเข้ามาไม่ได้มันเป็นบางทีะออนะไปรู้เอาเดี๋ยวมันเข้าเองอย่าดึงนะถ้าดึงคืนมาแล้วจะแน่ น, นต้องต้องต้องเพิ่มชานรนั่งสมาธิหรืออะไรไหมครัไปเดินจงกรมดีกว่าของคืเนคคนะเดินไปเรื่อยแล้วเห็นร่างกายมันทำงานเชิญโยมกลับบ้านกันครับ